ของเราวันนี้ก็เช่นเคยนะคะได้กระทํากันที่วัดนาปะพงลําลูกกาคลองสิค่ะซึ่งมีพระอาจารย์คึกฤทิโสภิพโลเป็นประธานสงฆ์หรือว่าเป็นเจ้าอาวาสของที่นี่และในวันนี้นะคะภายในบริเวณอาคารที่เราเป็นเทสต์เนี่ยก็มีท่านทั้งหลายที่สนใจในพุทธวจนะมาร่วมในการฟังการสนทนาในครั้งนี้ด้วยช่วงเวลาที่ท่านทั้งหลายรอคอยกําลังจะมาถึงนะคะนั่นก็คือการที่พระอาจารย์จะได้นําอาพุทธวจนะมาตอบคําถามต่อข้อสงสัยของท่านทั้งหลายค่ะ กรามาเนื้สการท่านพร้อมๆกันก่อนนะคะคน <c oughs> เยอะรท่านคบ <c oughs> <c oughs> มีจดหมายน้อยดิฉันก็เลยจะขออนุ ญ, ญาตที่จะกล่าวเรียนถามท่าน <c oughs> เป็นคำถามแรกก่อนรู้สึกจเป็นคําถามบางท่านทั้งหลายบางท่านที่น่าอยู่หน้าที่นี้นี่แหละนะคะกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่ามีพระสูตรไหมที่สอนให้คารวะที่ติดเหล้าจนสุขภาพเสียแล้วตกงานแล้วจิตตกแล้วอืมก็น่าจะพยายามคุยให้เขาเข้าใจถึงผลเสียนะ แล้วก็ให้เข้าใจถึงว่าชีวิตเนี่ยมันต้องดำเนินไปและชีวิตที่ต้องดำเนินไปเนี่ยจะมีวิธีแก้หรือไม่ก็ต้องบอกว่ามีวิธีแก้ได้ถึงแม้แม้แต่คนพิการ ห, าหรือคนใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยถ้าได้ยินได้ฟังคำพระศาสดาก่อนสิ้นชีวิตก็ยังสามารถเป็นอายุคนได้ก็น่านจะทำให้เขาเนี่ย ได้เกิดสำเน็กขึ้นมาบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ให้ทราบว่าบุคคลในโลกเนี่ยมีหลายระดับในมุมหนึ่งที่ผู้จ้าเปรียบเหมือนบัวสามเหล่าบัวเหล่าหนึ่งจมอยู่ในน้ำพวกหนึ่งปลิ่มน้ำแล้วก็อีกพวกหนึ่งพนน้ำหรือเปรียบด้วยบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวก พวกแรกตกคราวเดียวแล้วจมเลยก็คือพวกแรกเนี่ยเกิดมาก็ทําทอกุศลอย่างเดียวพวกที่สองเนี่ยผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมก็คือทํากุศลขึ้นมาได้นิดหนึ่งแล้วก็ไปทําความไม่ดีต่อไปตลอดชีวิตอพวกที่สามเนี่ยผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่ก็คือทําความดีได้แต่ไม่ก้าวหน้าแต่ก็ไม่ไม่ถอยหลังทรงๆไว้ได้พวกที่สี่ก็คือพวกที่ ทำความดีส่งไว้ได้แล้วก็เริ่มแสวงหาความพ้นทุกข์และพวกนี้เป็นโสดาบั น, นอีกพวกหนึ่งก็คือเริ่มไหว้เข้าหาฝั่งพวกนี้สกัธาคามีอีกพวกหนึ่งเนี่ยอถึงที่ตื้นแล้วเท้าเหยียบพื้นถึงแล้วนี่เป็นนาคามอีกพวกหนึ่งเนี่ยถึงฝั่งข้ามขึ้นบกแล้วเป็นความเยนอยู่นี่เป็นพระหันเราก็ต้องทราบด้วยว่า คนในโลกนี้มีหลายกลุ่มหลายพวกคนบางคนเนี่ยสำนึกตัวได้ไวได้เร็วคนบางคนสำนึกตัวได้ช้ายังเปรียบอีกว่าเป็นเหมือนม้าอาชาไนาสี่จําพวกพวกแรกได้ยินได้ฟังเขาพูดเกิดแก่เจ็บตายก็รู้สึกสลดสังเวชมีตนส่งไปในแนวของธรรมะพวกที่สองเนี่ยต้องได้เห็นการแก่เจ็บตายนะถึงจะปฏิบัติธรรมพวกที่สามเนี่ย ต้องญาพี่น้องคนรักแก่เจ็บตายเองถึงจะปฏิบัติธรรมพวกสุดท้ายก็คือตัวเองต้องได้รับทุกเจียนตายเองถึงจะ พ, ะพุทธปฏิบัติก็ต้องวางใจไปในบุคคลแต่ละแบบที่ไม่เหมือนกันด้วยใ น, ในยะต่างๆที่พูะเจ้าได้จัดเอาไวนะ้จากนั้นเราก็เป็นทำตัวเป็นเพียงผู้บอกเหมือนพระตถาคตพระองค์ก็บอกสอนไปเท่านั้นนะถ้าเขามีอินทรีย์บรารมี ถ้าเขาได้สั่งสมศรัท ธ, ธานะกำลังของศรัท ธ, ธากำลังของฮิลินะปตปะวิริยะปัญญามาเขาก็คงได้ได้สำนึกแล้วก็ได้มาประพฤติปฏิบัติจริงนะจะใช้พระสูตรไหนก็ได้นะถ้าถ้าเขามีเหตุปัจจัยที่พร้อมและเพียงพอเนี่ยก็ขอให้เป็นคำพระาศาสดาก็สามารถที่จะ เปลี่ยนจิใจก็ได้ถ้าจะสรุปก็หมายความว่าพระสูตรเนี่ยมีประโยชน์ทุกพระสูตรแต่ว่าในกรณีนี้ต้องเริ่มต้นด้วยการที่ทำความเข้าใจกันก่อนพูดให้ฟังใช่ไหมคะแล้วก็กำกับด้วยพระสูตรจากพระตถาคตอย่างไรก็ตามก็ต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงว่าพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าคนเราไม่เหมือนกันใช่ไมคะมีทั้งเรื่องของบัวสีเราทั้งเรื่องของที่ ที่อยู่ในน้ํานั่นคือเป็นคนตกน้ำอย่างนีคะที่ฟังไม่ชัดบุคคลตกน้ําเจ็ดจำพวกบุคคลตกน้าเจ็ดจำพวกนะค ะ, ะมีทั้งที่โผล่พ้นมาได้เป็นพระโสดาบันเท่านั้นเองขนาดโผล่พ้นมาได้นะคะยังมีขั้นมีตอนต่อไปเรื่อยถึงจะสามารถที่ไต่เต้าขึ้นไปสู่ลําดับต่างๆที่สูงขึ้น<ช>ของการจะเป็นพระอรหันต์ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าพูดอย่างนี้เหมือนกับว่าธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยไม่มีปาฏิหาริย์ในส่วนของการปฏิบัติคือต้องลงมือปฏิบัติ นั่งอยู่เฉยๆไม่มีโอกาสเกิดอย่างนี้ก็ได้มีปฏิหารสําหรับผู้ลงมือทำมีปฏิหารต่อเมื่อลงมือทำใช่ๆเอาไปไข้ควรพิณานแล้วก็ลงมือทำค่ะ น, ะ, ะนั้นจะให้แม้ว่าอยู่ดีๆคนนี้จะเป็นอริบุคคลแล้วไปนิพพานเลยเนี่ยมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ค่ะในกรณีนี้ก็คือว่าคนที่ใกล้ชิดใช่ไหมคะต้องพยายามที่จะหาวิธีที่จะให้ธรรมะเขาไปเรื่อยๆ นะคะแต่ขณะเดียวกันให้วางใจว่าเดี๋ยวจะมาหาว่าเอ๊ะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เห็นช่วยได้เลยก็ต้องเข้าใจว่ามีมีกรอบข้อจํากัดอยู่ด้วยเหมือนกัน<ช>ยมเล็กว่ายังไงนะคะอยากจะเรียนถามท่านกับพระศาสดาท่านได้ได้พูดถึงนรกไว้ไว้ให้เห็นภาพไหมคะอ๋อก็ได้พูดอยู่ท่านอธิบายตรงนั้นอย่างอย่างคำว่านรกเนี่ยพุทจ้ก็ใช้คําว่านินนรย่าง ถ้าเราพีคํานี้ก็ไปในบาลีเนี่ยก็จะเจอคําว่านรกอยูนะ่ความหมายของคําว่านรกแล้วก็ <c oughs> บาปอากุศลเนี่ยจะใช้ปา ป, ปการ น, นัอกุศลานังอย่างเงก็ใช้หลายคํานี้ก็เป็นตัวอย่างคำหนึ่งที่ท่านใช้กนะ็จะอธิบายถึงถึงสภาพของนรกอยู่เหมือนกันน ะ, ะระดับหนึง่ง ชั้นไหนทำบาปอกุศลเนี่ยอะไรหรือว่าดื่มชุราหรือว่ า, าขาดสติเนี่ยจะไปอยู่ชั้นไหนแล้วก็ในชั้นนั้นเนี่ยอมีประกอบด้วยอะไรหรือเปล่าอาก็มีบ้างพอสมควรท่านขอ อ, อธิบายได้บ้างไหมคะอย่างเรื่องมหาปริลาหานรกเนี่ยก็จะเป็นจะเป็นนรกที่เอเมื่อได้รับสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะได้รับสัมผัสแต่สิ่งที่ไม่ดี ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจตลอดการเห็นรูปก็จะเห็นรูปที่เป็นอาทินวะของรูปรูปที่น่าเกลียดนะน่าขยะดขยแยงน่าอิจนาละอาใจการได้ฟังเสียงการได้กลิ่นการลิ้มรสก็จะได้สัมผัสที่มีแต่อาทินวะคือโทษของมันทั้งนั้นเลยนรกตรงนี้จะเรียกว่ามหาปริลาหารนรกนะซึ่งพุทธเจ้าเคยเทียบกับกับคนที่ไม่รู้ปฏิจจสุบาท พูเจ้าจะบอกว่ามหาปริฬาหานรกเนี่ยวา่าแย่แล้วเนี่ยคนไม่รู้ปฏิจจสุวรรณะแย่ยิ่งกว่านะครับ <c oughs> ท่านอาจารย์ครับทีนี้ในกรณีครั้งพุทธการจากการที่ท่านได้ศึกษาพุทธวจนะเนี่ยมีกรณีไหนหนึ่ะที่ถือว่าเป็นคนที่สอนได้ยากที่สุดเลย แต่ว่าสุดท้ายพระพุทวงก็สอนได้ถ้ามีเป็นกรณีใดแล้วก็รายละเอียดเป็นอย่างไดค่ะก็จะมีเช่นาสาวกอยู่ท่านหนึ่งก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยมีปัญญานะก็ให้เอาผ้าขาวมาลูบลูบ<ช> <ๆ S 1> ไปเรื่อยๆจนกทั่งผ้าขาวมันบองคล้ำเขาก็บรรลุธรรมก็เห็นความไม่เที่ยงนี่ก็เป็นมุมหนึ่ง ที่ว่ามีปัญญาสอนอะไรก็ไม่ได้ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยให้วิธีนี้เอาผ้าขาวมาลูกกับอะไรนะรเอามือลูบผ้าขาวไปเลยเอามือเอามือของชาวลูบนั้ น, นค่ะเพียงแค่ว่าไอ้ความขาวนี่มันเปลี่ยนไปอ่าใช่ก็เห็นนิจจังเหรอเห็นไหมถึงว่าเวลาเราเราเดินไปไหนก็ตามเราเห็นใบไม้ร่วงเราเห็นคนตายเห็นสัตว์ตายเนี่ยน้อมนึกมาพิจารณาได้หมดว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรซื่อแท้ มีแต่การเปลี่ยนแปลงการเกิดการดับทั้งสิ้นนะแล้วก็น้อมเข้ามาสู่ตัวของเราว่าตัวของเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะที่สุดก็จะต้องร่วงโรยไปแก่ชราไปแล้วก็ตายไปสิ้นไปเหมือนกับธรรมชาติต่างๆคือเหมือนกับว่าเราก็ต้องมีความเฉลียวฉลาดหรือว่ามีความ ว่างไวในการที่จะฉวยเอาไปใช้ ใ, ชในชีวิตประจําวัน<ช>ท่านผู้ชมเขาเป็นแง่มุมที่น่าสนใจมากที่ฉันชอบมากสําหรับกรณีพระสงฆ์ที่ด้อยปัญญา<ช>ระสาวทของพระพุทธค์ในครั้งพุทธกาลแล้วก็เป็นอุบายที่คิดไปไม่ถึงนะคะว่าสงฆ์คิดอย่างงี้เอาผ้าขาวมาเอามือลูบๆลูบไปลูบมา <c oughs> เห็นผ้าเปื้อนอย่างนี้เหรอคะเห็นผ้าเปื้อนเลยได้เห็นว่าผ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสรรพสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงไม่ไม่คงที่ ผ้าขาวที่เคยสวยงามก็หมองคค่ะ<ม>ก็บรรลุแล้วความจริงก็ไม่กล้าพูดนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าทำไมบรรลุได้ง่ายง่ายา <c oughs> ไม่ซับซ้อน อ, อ๋อค่ะมีพูดพูดที่มาฟังทำมีความรู้ให้ความรู้เพิ่มเติมด้วยเหตุที่ท่านเคยปรามมท ูอืนเอาไว้ครับจึงงไม่ท่านความจำเสื่อมไปกด จ, จ, ดจดแต่ว่าปัญญาบามีาอเพระพุทธเจ้าจึงรู้ว่าจะตงสอนผู้นั้นเช่นใดจึงได้มอบผ้าขาวให้ท่าน <อ analogy. S 1> ถูู่ก็เกิดเป็นสมาธิที่แก่กล้าแต่พระองค์ก็เสด็จมาแสดงแสดงอบอกกรรมฐาน่อนะครับท่านก็ตัดทะลุแล้ท่านก็เลยได้ตัรทุเป็นอรหันต์องค์หนึ่งเ็ เ, เอกทักคะ ด้านมานุษย์ิธครับเป็นผู้สามารถเองล่ากได้ถึงรูกอะครับ <laughs> เรื่องเดียวกันเลยค่ะ <laughs> นะเลยคะเรียกว่าคนที่ม า, าวัดนี้ก็มีทั้งแบบมาแบบพิชันมาแรกๆนี่ไม่เคยรู้อะไรเลยะค่ะ <laughs> ต้องสะสมไปเรื่อยๆกับที่มาพร้อมกับปัญญาพอสมควรทีเดียวท <laughs> ่านอาจารคะทีนี้เมื่อสักครู่ที่ที่ยงเล็กได้พูดถึงเรื่องของลักษณะของนรกที่ท่านพูดถึงนรกชื่ออะไรก็ไม่ทราบ ดิ <Lob os> ฉันรู้แต่ว่าจะเห็นแต่ของที่ไม่พอใจอ่ะที่มันหน้ารังเกยียจใช่ไหมคะ <ừ> คือเรามานั่งคิดตามเนี่ยคนบางคนก็เกิดมาเห็นแต่ของสวยของงามกษัตริย์บางประเทศใก<ม>ล้ๆเราเขาบอกว่าวังนี่เป็นทองสมมตินะนะคะในทุกๆที่หรือแม้กระทั่งเศรษฐีบางคนในบ้านเราเผล่เปุ่มกดน้ําในห้องน้ําอาจจะเป็นทองก็ได้นี่เราก็ไม่รู้แต่ว่าบางคนเนี่ยค่ะท่านคะจะต้องอยู่กับสิ่งที่มันสกปรกเช่นสมมติคนคุยขยะหรือคนที่ต้องมีอาชีพต้องมี ไปเก็บศพอย่างเงี้ยสมมุติเลยค่ะเรามานั่งคิดตัวเราเนี่ยเราทําไม่ได้แน่แล้วทําไมชีวิตก็เจอแบบนั้น ม, มันมีสองอย่างก็คือถ้านึกไปว่านารกหน้าตาเป็นแบบนี้บนดนินก็มีนรกแบบนั้นคล้ายๆกันแล้วถ้าสมมุติว่าจะฉวยเอาโอกาสที่ต้องอยู่กับสิ่งสกปรกทั้งหลายชีวิตนี้ไม่ได้จะบรรลุทําได้บ้างไหมคะด้วยวิธีอย่างใดกันบ้างเรื่องเป็นได้ถ้าคนนั้นเนี่ยรู้จักจเคยได้ยินได้ฟังทำ และรู้จักน้อมเอา ม, อมอาพินิ์พิจารณานะก็เหมือนกับเราแต่ก่อนเราไปเห็นคนผ่ า, าศพเนี่ยนะในโรงพยาบาลก็ยังนึกว่าเขาหน้าบรลลุนะเขาอยู่กับศพทุ ก, กวันพอเต็ดตึ้งร่วมกับตันยูอะไรอย่ยงางเงี้ยแต่คนพวกนี้ก็ยังกินเหล้าเมายาก็ยังไม่ไม่มีศีลอย่างเงี้ยไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้ฟังธรรม เป็นเพราะก็ไม่ได้ไม่ได้ฟังธรรมในพระาศาสดาแล้วก็ไม่ได้เอาไปไข้ควรพิณาไม่มีความเพียรไม่ปาราลบความเพียรก็ถึงแม้จะอยู่กับกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญญาได้ก็ไม่สามารถเกิดปัญญาเหมือนกัน <Okay. S 1> ก็จะพระองค์จะเปรียบเหมือนบุคคลซึ่งจเจริญอานาปาณาสติแต่ไม่รู้จักสังเกตไม่มีไหวพริบก็ไม่บรรลุเหมือนกันจิงบอก เรื่องของข้อควรระวังในการเจริญสติปัฏฐานสี่ก็คือต้องเห็นอริสัตการเกิดกันดับพระ อ, องค์เปรียบเหมือนพ่อครัวที่ทำครัวให้พระราชาหรือมหาามาพ่อครัวสองคนคนหนึ่งเนี่ยก็ทำครัวไปแต่ไม่เคยสังเกตว่าพระราชากินอะไรมหาามากินอะไรแต่พ่อครัวอีกคนก็ทาครัวให้พระราชาหมหาามาตแต่คอยสังเกตตลอดว่าพระราชากินอะไรมากกินอะไรน้อยมหาามากินอะไรมา ก, กอไร น, อน้อ วันต่อไปก็ทำอย่างนั้นไปก็จะได้รับรางวัลจากพระราชาและมหา ม, มากเขาเลยบอกคนเจริญสติปัฏฐานสี่ก็เหมือนกัน เ, เรานั่งรู้ลราหายใจเข้าออกไปเห็นไหมว่ามีการเกิดดับในภายในใจของเราขณะที่จิตหายจากลมไปไปคิดเรื่องอดีตอนาคตหรือสุกทุกข์ก็ตามนั่ น, น, นคือรูปดับแล้วและนามเกิดมีสติดึงกลับมานามดับรูปเกิดบางคนไม่เห็น บางคนก็ไปบัญญัติต่อว่าอนาปาเป็นแค่สมถะเพราะตัวเองเนี่ยไม่เห็นการเกิดดับทั้งที่อยู่คาตาตัวเองอย่างนี้ขณะที่เกิดดับเนี่ยความเป็นตัวเราเนี่ยเกิดดับไปพร้อมกันจึงไม่สามารถสังเกตเห็นนะตรงนี้ก็เรียกว่าต้องเป็นคนที่ที่มีไหวปริบเหมือนกันนะนั้นอริสัตถีเนี่ยต้องเอาไปจับในทุกๆเรื่องเลยไม่งั้นก็จะไม่สามารถบรรลุทำได้ท่านอาจารย์คะอันนี้เกิดแต่การที่ แต่ละคนเนี่ยปฏิบัติมากแล้วถึงจะเป็นหรือว่าไม่ต้องปฏิบัติมากมายอะไรแต่ถ้าฉลาดในการรู้มันก็ต้องมีความรู้ก่อนถูกไหมครับใช่ว่าทุกเรื่องต้องเอา<ช>อริยศัสตร์เปสังเกตที่เห็นการเกิดดับใช่แล้วก็เอาความรู้ไปใช้โดยที่ปฏิบัติอาจจะน้อยกว่าคนอื่นเยอะอสรุปแล้วเกิดจากปฏิบัติมากหรือเกิดจากปฏิภานไววพริที่เกิดจากต้องทั้งสองอย่างคนปฏิบัติอนาปานสตีมาก อาจจะเป็นแบบม้ากระจาะก็ได้ม้ากระจอกไม่มีไหวพริบ ป, ปฏิบัติไปทื่อๆไม่ไข้ควรไม่พิณาอะไรนะม้าอาชาในใยใช้เวลาเท่ากันปฏิบัติเท่ากันแต่ใข้ควรพิณาดุดพ้นได้แปบ๊บเดียวนะนั้นแต่ละคนเนี่ยสังสมปัญญาบา ร, รมีไม่เท่ากันนะสั่งสมกําลังของสติมาไม่เท่ากันการได้สั่งสมสุตตะ ชื่อว่าเป็นธรรมที่เกื้อกูลต่อการเจริญอานาปานสติเยมเจริญอนาปาไปรู้ธรรมะแค่อ่ะเจริญอนาปาเยมก็ทําไปเรื่อยๆแต่โยมไม่สังสมสุตตะต่อไม่ฟังคําตถาคตไม่ฟังธรรมตามการไม่ไข้ควรตามการเยมก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะจะต้องทําอะไรต่อไปแต่ถ้าได้สังสมสุตตะโยมก็จะไปเจอพระสูตรที่ว่าถ้าเธอเจริญอนาปาแล้วเนี่ยให้เธอตามเห็นการเกิดดับของกัตติห้าต่อไป เราก็จะรู้อ๋อเราต้องทําอะไรต่อไป <Okay. S 1> อย่างนี้คนนั้นก็จะหลุดพ้นได้เพราะนั้นการสั่งสมสุตตะพุทธเจ้าจึงบอกว่ามันเกื้อกูลต่อผู้ที่เจริญอาณาปานัสสพิตรการมีอาหารน้อยนะเป็นผู้มีมีท้องเนี่ยร่องอยู่เล็กน้อยการไม่ทุกข์คลีการไม่มีการงานว่านะการ <c oughs> ที่เรามีคุณธรรมเหล่านี้มันจะทําให้เราสามารถที่จะ มีปัญญาเห็นว่าอะไรเป็นอะไรในขณะที่เราทําสมาธิอยู่นั่นก็หมาว่าเราต้องการใครเนี่พ้อกันทั้งการสั่งสมสุตตะและการปฏิบัติการเฉลิมอาณาปาใช่ใช่โยมสั่งสมสุตตะมากแต่โยมไม่ค่อยปลาลบความเพียนก็ไม่เห็นอีกมันก็ต้องอาศัยกันไปด้วยขาไม่ญาติคุยกับท่านพู้ชมสักนิดมันก็เรียนคิดว่าได้หลายแง่หลายมุมบางคนเนี่ยกําลังใจมาเลย คืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างที่บอกว่าคล้ายๆเหมือนับตกนรกน่ยชีวิตวันๆเจอแต่ของไม่ดีคนบางคนนมีชีวิตอยู่ในกองขยะแม้กระทั่งบ้านอยู่อาศัยในกรุงเทพนเองนะคะแถวๆประเวศชีวิตคืออยู่ในบ้านที่อยู่ในกองขยะเยอะๆแต่ว่าอาจจะมีกําลังใจที่ว่าถ้าท่านรู้ทังเห็นขยะนี้พิจารณาเลยใช่ไหมคะท่านสามารถที่จะก้าวไกลกว่าคนที่มีชีวิตดีๆแต่ว่ามองไม่เห็นมุม ทีนี้มุมที่ถ้าจะแนะนําวันนี้มีประโยชน์มากสําหรับคนที่ปฏิบัติอาณาปานาสติเพราะว่าอย่างที่ฉันฟังเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าถึงแม้จะฟังมาแล้วก็เลือนลางแล้ววันนี้เป็นสิ่งใหม่ที่กระทบใจว่าเราอยากจะจดจําจังเลยตรงที่ท่านบอกว่าถ้าทําอาณาปานี่ยต้องพิจารณาขันห้าใช่ไหมครับว่าเห็นการเกิดดับคือเห็นการเกิดดับของของรูปใช่เวทนาสัญญาสังการวิญญาณคือต้องเห็นว่าจิตเนี่ยขยับไปใน ธรรมธาตุอะไรบ้างสมมุตินะคะสมมุตินั่งเนี่ยรู้ลมอยู่แล้วเมื่อเราจิตไปคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วอืเราต้องว่องไวปัญญาเราต้องรู้ทันเลยว่าอ๋อนี่นี่ไปคิดถึงเรื่องนั้นแล้วก็กลับมาอย่างนี้ต้องกลับมาเพราะพระผู้เจ้าเนี่ยสั่งอย่าลืมลมหายใจคดังนั้นขณะที่ไปคิดน่ะลืมลมหายใจเลยขนาดสั่งง่ายๆนิดเดียวว่าอย่าลืมลมนะอย่าลืมกาย ถ้าแจกให้อย่างนี้ไม่เสียเวลาหรอกค่านในระหว่างที่สมมติเราคิดช้าเราคิดช้าเราก็เออมันเพลินไปแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่มันก็นานโมไปคิดเอ๊ะมิกกี้มันสังขารหรือมันวินหรือมันอะไรนะสัญญานะหรือรูปนะเสียบดั้งหลายวินาทีค่ะท่านคะแล้วเป็นลาแรกๆก็ต้องเสีเวลาอย่างนี้ก่อนบางทมันก็เสียดจไหมก็เลยคิดเพลินๆอยู่เลยใช่โอ้อันนี้อันนี้เป็น เป็นเรื่องที่ดิฉันจําเป็นจะต้องถามให้ละเอียดเพราะว่าคิดว่าเป็นปัญหาเพราะอย่างตัวเองเนี่ยนะคะก็พยายามแล้วบางทีเราก็ยัง ง, งงงเลยว่าเออถ้าอาจารย์ก็บอกให้พิจารณาเกิดดับนะของเรามันเรื่อยๆฮะบอกไม่ถูกอย่างนี้ก็เท่ากับว่าจับหลักให้ดีนะคะที่ว่าถ้าสมมุติ <c oughs> ให้พิจารณารูปให้เห็นรูปเกิดดับท่านช่วยยกตัวอย่างเป็นรูปธรรม ไ, ได้ไหมคะว่ารูปนั้นเป็นอย่างไรลมคือรูปเนี่ย ลมดับลมหายไปคือลมดับพูุทธเจ้าบอกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเห็นนั้นในเรื่องนี้พิสูจนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นขณนะที่เขาเนี่ยกลังรู้ลมหายใจเข้าออกเขาชื่อว่าเขาเห็นกายในกายนะและขณะที่จิตหายไปจากลมหายใจเนะี่ยแล้วไปรู้เรื่องอื่นนั่นแสดงว่าลมดับ เรื่องอื่นที่เกิดขึ้นในจิตของเขาที่เข้าไปรับรู้คือเกิดขึ้ น, นสบู่ไทยเกิดละยอมเพลินไปสองสามวินาทียอมมีสติดึงกลับมาได้นำมาทำดับลมเกิดนั้นเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยจิตก็ที้ดไปแล้วแต่ใครจะหลุดไปยาวขนาดไหนใครมีกำลังน้อยก็หลุดไปยาวใครมีกำลังมากก็กลับมาได้เร็ว ใครมีกำลังที่จะกลับมาได้เร็วดุจกระพริบตาพระองค์ก็เรียกอินทรียีพนาชันเลยนั้นความเร็วในการเอากลับมาเนี่ยเป็นเครื่องวัดกำลังนั้นเราไม่ต้องทำอะไรมากก็ได้จับหลักแค่ว่ากลับมาให้ไหวกลับมาให้ไหวกลับมาให้ไหวทำแค่นี้สติจะถูกฝึกตลอดเวลาหน้าเวลาหนึ่งจะเห็นเองว่าขณะที่เรากลับมาโอ้มันมีการเกิดการดั บ, บถ้าเข้าใจมันนิดเดียวแค่ น, นั้นเอง หมายถึงว่าถ้าอาจารย์ก็ลังบอกเทคนิคเพียงแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไม่ต้องเห็นการเกิดดับก็ได้แต่เพื่อให้ง่ายเข้าไม่ต้องไปกังวลว่าอะไรเกิดอะไรดับเพียงว่าไม่ไม่ได้อยู่กับลมแล้วอไม่ได้อยู่กับกายแล้วนะคะเอากลับมาที่เก่าครักก็กลับมาที่ดาแล้วทำบ่อยๆจะเห็นเองทำบ่อยๆจะเห็นทำบ่อยๆจะเห็นเองท่านก็ลองไปฝึกดูนะคะถ้ายังไม่ประสบความสําเร็จอย่างไรหรือว่าจําไม่ได้แล้วต้องกลับมาชมรายการใหม่ เพราะว่าดิฉันเองเนี่ยก็ต้องถือว่าขนาดทำรายการท่านอาจารย์นะคะบางครั้งบ่อยครั้งด้วยมีความรู้สึกว่าอ๋ออันนี้เราลืมไปแล้วเรากลับไม่ได้ความรู้อีกแล้วนะคะมันสําคัญตรงนี้ที่ว่าปฏิบัติมากหรือปฏิบัติน้อยมันกค่ยากเหมือนกันนะคะท่านอาจารย์ที่บอกว่าให้บริโภคน้อยอืไ<ม>ปงานเลี้ยงนี้มันบางทีเสียได้ของเลยค่ะโอ้ไ<ม> <laughs> ปงานเลี้ยงเนี่ยดิฉันต้องพจริงจริงด้วบางทีเราเราไปอยู่ในที่ที่ตั้งหน้าตั้งตาไปรับประทานนะคะอทีนี้ ของมันเหลือเยอะเราก็เสียดายเราไปอยู่ในที่คนเยอะอีกไปงานเรี้ยนใช่ไหมหือน้อยก็ต้องคุยกันเป็นอุปสรรคทั้งนั้นเลยเป็นมนุษย์ปกติธรรมดามันจะปฏิบัติได้ถึงฝั่งนี้ก็ได้กันครับอ๋อก็ได้อยู่แต่ก็ช้าหน่อยไงเพราะว่าทุ่เจ้าก็จะบอกว่าคารวะครับแค่เป็นทางมาแห่งธุลีปันประชาเป็นโอกาสว่าง การที่จะทําให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่ขัดดีแล้วในเพศสารวัตรนี่มันทําได้ยากก็เป็นธรรมดาที่มันจะมีเหตุปัจจัยที่จะเป็นเหตุให้เนื่อนชา้าท่านคะอยากจะเรียนถามว่าการที่เราจะการที่เราจะแบบรู้ลมเนี่ยอานาปาเนี่ยเราต้องทําในแบบยุรยาบทเน่นนั่งอย่างเดียวหรือเปล่าเช่นสมมุติว่าเรายืนเราเดินหรือเรากําลังคุยกับเพื่อนกับเนี่ยเพื่อนฝูงฝูงอยู่ หรือเราเดินไปไหนก็ตามหรือว่าทำทาอิรยาบทอื่นเราสามารถที่จะรู้ลมด้วยได้ ไ, ดไหมได้ได้ไดแล้วมันจะทำให้เราทำอย่างอื่นไม่ได้หรือเปล่าคะหรือว่าเรามัวแต่เรามัวแต่รู้ลมหรือเราเดินไปด้วยก็ <c oughs> <ร>อยู่ที่ ว, ว่างานนั้นเป็นงานละเอียดอยาบขนาดไหนถ้าเป็นงานห ย, ยาบๆยาบเราก็รู้ลมไปด้วยก็ได้ถ้าเป็นงานละเอียดก็ให้ปรับวิธีเป็นสติอธิษฐานการงาน ให้มีการระลึกได้เนี่ยอยู่ที่การงานเลยดิฉันกําลังพยายามจะหาว่าบทพยัญชนะของเรื่องคารวาดคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีนี่อยู่ในหนังสือเล่มไหนแตไม่เป็นไรค่ะยังหาไม่พบเลยอยู่ในหนังสือเล่มนั้นจริงหรือเปล่าพรเพิ่งอ่านเมื่อคืนนี้เชอเลยค่ะในระหว่างนี้ดิฉันจะกลับเรียนถามคําถามถ้าอาจาย์ไปพลางพลงก่อนเมื่อสักครู่เนี้ย ท่านพูดถึงเรื่องของคนธรรมดาธรรมดาว่ามีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้ทีนี้ถ้ากล่าวแบบสรุปในห่วงเวลาที่เหลือเวลาอีกสักประมาณสินาทีนะคะว่าสมมุติเราเนี่ยเป็นคนที่ก็ไม่ได้มีพื้นอะไรมากมายมาก่อนแต่วันเนี้ยตัดสินใจละชีวิตนี้ขอบรรลุธรรมดีกว่านะคะจะต้องทําอย่างไรบ้างเพื่อที่ให้มีโอกาสบรรลุธรรมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กราบเรียนขอคําแนะนํากัะท่านคะก็ ให้เราหยิบมัควิธีที่พระศาสดาเนี่ยสรรเสริญได้มากนะแนะนําเองว่าเป็นมัควิธีที่ง่ายสรรเสริญได้มากแล้วก็พระองค์หยิบนํามาใช้ด้วยพระองค์เองนะหรือว่าแนะนําให้สาวกเนี่ยเดินในมัควิธีนั้นมันก็จะได้ถึงง่ายถึงเร็วนะนั้นมัควิธีต่างเนี่ยอย่าไปคิดเองหรืออย่าไปกะเกณเองเราก็ต้อง ใช้สิ่งที่พระเจ้าแนะนําเอาไว้ซึ่งพระองค์ก็บอกอยู่แล้วว่ามหาชนเนี่ยจะเดินตามที่พระองค์สรนเสริญเอาไว้นั่นร่วงสรรเสริญอะไรเราก็เดินตามนั้นเช่นกายยคตาสติอานาปานาสติการพิจารณาผัสสะอย่างเนี้ยระวงสันเสริญได้มากการละนันทิเราก็หยิบมรรควิธีนี้มาใช้ก่อนเลยทําไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่างนี้นมันก็จะทําให้เร็วกว่าคนอื่นที่สเปสปะหยิบโน่นหยิบนี่อะไรกันรู้หรือว่าจับจด หรือไปหยิบตามความเห็นตัวเองผู้ฉลาดก็ต้องเดินตามพระตถาคตใช่ไหมท่านก้าวอย่างไรเราก้าวตามเลยซึ่งพระเจ้าก็บอกแล้วว่าอริยบุคคลทั้งหลายเนี่ยแม้ต ถ, ถาคตจะก้าวเท้าลงไปในหลมน่มโคนเขาก็จะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยเพราะเขาจะเชื่อว่าพระเจ้าก้าวไม่ผิดแน่นอนนะนั้นเราก็ทําตัวอย่างพระสาวกทั้งหลายพระเจ้าก้าวทางไหนก้าวทางนั้นเดินยะังไงเดินทางนั้นนั่น สมมุตินะคะเป็นคนยังมีครอบครัวอ ย, อยู่มีความรับผิดชอบมีลูกมีเต้ายัางเรียนหนังสือไม่จบแต่มันเนดื่มดำมากเลยเนะ่อยากจะบรรลุธรรมเริ่มต้นซะตั้งแต่วันนี้ไม่บวชแต่ว่าเลิกรับผิดชอบจะได้มีความว่างอย่างนี้ถูกหรือผิดครับก็ <c oughs> หมายถึงเลิกรับผิดชอบในการงานทางโลกอะไรอย่าะคือหมายถึงว่าก็รู้สึกเมื่อก่อนนี้ก็ให้ความสําคัญเป็นเรื่องหลักเพราะว่าเป็นความรับผิดชอบทางตรงใช่ไหมค ะ, ะ, ะแต่ว่าพอรู้เรื่องนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าเพื่อที่จะได้ไปถึงการบรรลุธรรมได้เร็วเนี่ยเราละทิ้งเสลยดีไหมเลิกสนใจอ่ะแต่ก็ยังไม่บวชนะคะอย่างเงี้ยครับก็มันอยู่ที่การเลิกระดับไหนอนะว่า การเลิกรับผิดชอบจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเปล่าการกระทําใดที่เบียดเบียตนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นพระเจ้าก็ให้พิณานะซึ่งถ้าเราทราบพุทธวจนะที่บอกว่าเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงหรือความเป็นคารวะชั้นเลิอหรือพระสูตที่บอกคนเราเนี่ยจเจริญทั้งสองทางได้น ะ, จะเจริญทั้งบุตรภรยาข้าทากสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษแล้วก็เจริญด้วยศรัทธาการสั่งสมสุตตาก จากานะจะเริญนด้วยศีจลจเริญนด้วยปัญญาก็สามารถนะเข้าวิมุตติอลดคนได้นั้นถ้าเร า, เาฉลาดในมรรกวิธีที่พระศาสดาบอกไว้เราก็จะสามารถที่จะเพียนพยายานที่จะประยุกต์การใช้ชีวิตของเราเนี่ยให้ควบคู่ไปกับการมีธรรมะได้ค่ะถาอาจารย์พูดถึงคารวาชเลอรห <c oughs> นังสือเล่ม น, นี้นะคะ <c oughs> ชื่อว่าคารวาชเลอ <c oughs> ข้างในนี้ก็จะเป็น ผู้ทวัจระในบทที่เกี่ยวกับการทําให้เราเป็นคารวาส uh huh. และสามารถบรรลุธรรมได้ <Sure. S 2> อยู่ในนั้นใช่ไหมคะในการดําเนินชีวิตในทุกขณะเลย uh huh. จะอยู่ในหนังสือเล่มเล็กๆเนะะี่ยค่ะอันนี้เป็นการสังเคราะห์ที่ฉันขออนุ ญ, ญาตใช้คำนี้คือดึงออกมาจากจากพระสูตรหรือว่าพุท้ทวจนะที่พระพุทธองค์ตรัสไว uh ้ huh. ทั้งหมดแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นหนังสือที่ขณะ น, นี้ยังไม่มีขายที่ไหนนะคะถ้ามีใครไปขายก็ว่าแปลว่ามารับฟรีไปแล้วเอาไปขาย เป็นผที่ถูกนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรแต่ว่าถ้ามาที่วัณ น, นาป่าพงอยู่ลำลูกกาคลองสิบปทุมธานีนะคะท่านก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงได้หรือว่าเข้าเว็บไซต์ก็ได้ใช่ไหมคะบบไป<ซ>เปิด<ก>ดูฟรีใช่ใช่แล้วก็โหลดไปได้นะคะซึ่งในนะอนาคตอาจจะมีสํานักพิมพ์ที่เห็นประโยชน์แล้วเอาไปทําขายก็ได้ซึ่งเราก็ไม่ได้ปิดกันในเรื่องของการจ่ายท่านไม่จบเล็สิทธิ์นะคะ คำภาษาสดาก็ไม่น่าจะมีลิขสิทธิ์อะไรคิดว่าค่ะนะคะในนี้เนี่ยสารบัญทีขออนุญาตอ่านบางเรื่องนะคะคาวาดคับแค่เป็นทางมาแห่งธุลีเนี่ยมีปรากฏอยู่ในหน้าแรกๆเลยคือหน้าที่5คือบอกไปเลยว่าเป็นคาวาดก็มีโอกาสแล้วก็พูดถึงการดำรงชีพโดยชอบทิศหกของคารวาดการตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุด นะคะสิ่งที่ทุกคนปรารถนาะอยากได้ความอยากเป็นเหตุแห่งทุกทุกเกิดจากนี่หลักการดํารงชีพเพื่อประโยชน์สุขในวันนี้เหตุเจริญเหตุเสื่อมของทรัพย์4ประการนรกที่ร้ายกาศของมนุษย์เป็นอย่างไรวิธีพูดนะคะวาจาประเภทต่างๆเป็นอย่างไรที่ไม่มีโทษเนี่ยคู่บุพเพสนิวาตเป็นอย่างไรวิบากกรรมของหมู่สัตว์เป็นอย่างไรฉลาดในเรื่องกรรมต้องฉลาดอย่างไรการห้ามผู้อื่นให้ทาน ท่านชื่อว่าไม่เป็นมิตรนะคะแล้วก็เรารู้หรือไม่ว่าสุขทุกที่เราได้ประสบมาแล้วเนี่ยมีทุกรูปแบบในนี้บอกอาไว้บางคนว่าไม่มีทางหรทุกบางอย่างที่ฉันไม่เคยเจอสุขบางอย่างอยากเจอแต่ไม่เคยพบอย่างนี้มีแล้วทุกรูปแบบใช่ใชค่ะสงสัยต้องกรับเรียนถามท่านในวันถัดไปว่ามันเรื่องอะไรกันนะที่มีอยู่แล้วทุกรูปแบบแต่ถ้าท่านสนใจนะคะมีสองทางค่ะ ท่านเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เนี่ดาวน์โหลดได้ฟรีเลยก็อยู่ที่เว็บไซต์ของวัฒนาปาพงลำลูกกาคลองสิบซึ่งที่นั่นจะมีสื่อธรรมะเยอะไปหมดเลยนะคะรวมไปถึงการที่ท่านจะมีโอกาสได้ฟังการสนทนาธรรมสดๆในค่มวันเสาร์ตอนตั้งแต่เวลาประมาณทุ่มครึ่งเป็นต้นไปด้วยค่ะทาอาจารย์คะทีนี้เราคงจะต้องลาท่านผู้ชมในวันนี้กันนะคะจะขออนุ ญ, ญาตอ่านเรื่องคารวับแคบนี่แหละนะคะ เพียงแต่ว่าในบทพยัญชนะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีอยู่ในหนังสือเล่มอื่นที่บางเอ่ยยมเล็กได้เปิดเตรียมให้ดิฉันไว้แล้วดิฉนขออนุญาตที่จะเลือกอ่านจากพุทธวจนะชุดก้าวย่างอย่างพุทธนี้ค่ะจริงๆเป็นบทที่ยาวพอสมควรทีเดียวจะขออนุญาตอ่านแบบสรุปเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ทําให้พระพุทธองค์เนี่ยออกผนวดนะคะโดยพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าแก่ภิกษุทั้งหลายว่าในโลกนี้ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ตนเองมีความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตายความโศกความเศร้าหมองเป็นธรรมดาอยู่แล้ว mm. ก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีกแล้วก็ได้ตรัสว่าในรายละเอียดนั้นความเศร้าหมองดังกล่าวก็ได้แก่บุตรภรนยาธาตุหญิงธาตุชายแพะแกะช้างโคมา้าลา ทองและเงินสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาสิ่งที่มนุษย์เข้าไปเทิดทูนเอาไว้เหล่านี้แลที่ชื่อว่าเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาซึ่งคนในโลกน<ๆ>ี้พากันจมติดอยู่อันนี้เปรียบเสมือนในที่ท่านบอกว่าเนื้อนอนจมบ่วงจมติดอยู่พากันมัวเมาอยู่พากันสยบอยู่ในสิ่งเหล่านี้จึงทําให้ตน ทั้งที่มีความเกิดมีเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดายังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่อีกความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าพระพุทโงตรัสนะคะว่าทําไมเนอเราซึ่งมีความเกิดความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วจะต้องไปมัวแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดความเศร้าหมองโดยรอบด้าน เป็นธรรมดายอยู่อีชะไหนหนอเราผู้มีความเกิดความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วครั้นได้รู้สึกถึงโทษอันต่ำซามของการมีความเกิดความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดานี้แล้วเราเพีงสแสวงหานิพพานอันไม่มีความเกิดอันเป็นธรรมที่เกษมจากเครื่องร้อยรัดไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเธอและตรัดเล่าต่อค่ะว่าภิกษุทั้งหลายเรานั้นโดยสมัยอื่นอีกยังหนุ่มเทียว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 ราวาสคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีส่วนบรรพชาเป็นโอกาสว่างผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่เขาขัดดีแล้วโดยง่ายนั้นไม่ได้ผ้าฉไหนเราจะพึงปรงผมและหนวดครองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิดดังนี้อันนี้ก็ เท่ากับว่าท่านทรงเล่าใช่ไหคะว่าเพราะอะไรถึงได้พนวกอย่างใดก็ตามยังเป็นคารวาอยู่ได้ถ้าท่านเรียนรู้วิธีที่จะเป็นคารวาชัันเลยนะคะวันนี้ก็น้องสการขอบพระคุณนะคะสำหรับพระจันทร์คริสติสุธิพโลท่านเจ้าวาดนามปักตรนลูกกาจอมสิทธุปทุมทา น, นีค่ะ